ผมก็พอจะมีอยู่บ้างแต่เพียงพอแค่คุ้มตัวไปวันวันหนึ่งเท่านั้นยังเป็นอาจารย์ใครไม่ได้หรอกคุณมันเป็นแค่เดรัรฉานวิชาขั้นต่ําสุดไม่ใช่ชั้นสูดาบันและนี่ของมีคมประเภทมีทําอะไรไม่ได้และพี่อยู่ปืนด้วยหรือเปล่าถามจริงอะ่ะถ้าปืนไม่มีลูกรับรองว่ายิงผมไม่ไแอมหรอกหรือถ้ามีลูกแต่ยิงไม่ถูกก็ไม่ระคายผิวเหมือนกัน โถมีดน่ะคนเรามันจะฟันเฉือนหรือแทงแรงสักแค่ไหนไอ้ส่วนลูกเบอร์นะ่ะไม่ต้องมากหรอกคุณแค่จุดสามห้าเจ็แม็กเท่านั้นความเร็วตั้งพันสี่รอฟุต ต, ต่อวินาทีแรงประทะนะ่ะไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยห้าสิบปอนถึงหนังผมจะดีสักแค่ไหนก็สงสัยล้มทั้งยืนกระดูกระเดี่ยวส่โครงหักก็คุณแต่ผมเชื่อว่า ถ้าสองปากกระบอกตรงตัวพี่จะยิงไม่ออกนะดีดีคุณอย่าล้อเล่นผมไม่อยากลองกระปืนหรอกไอ้ที่ไปยืนแอนอกท้ายพวกนั้นยิงแต่แรกนะผมก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครกล้ายิงหรอกไอ้ที่ไม่กล้ายิงไม่ใช่เพราะกลัวจะไม่เข้าแต่พวกนั้นนันกลัวผมตายมากกว่าแล้วทั้งสองก็หัวเราะออกมาพร้อมๆกันอาหารเย็นของนายจ้างจัดการกันอย่างแข่งกับเวลาที่สุด เพราะแสงแห่งทิวาการในหุบเขาล้อมรอบเริ่มจะมืดลงอย่างรวดเร็วรอบอานาบริเวณบัดนี้ถูกขึงเต็มไปหมดด้วยเส้นไว้โดยมีเนื้อช้างใส่เกลือบางๆแล่เป็นริว้วห้อยพึงลงไว้ปล่อยให้น้ำหยดกันนับพวกกระเรียงช่วยกันลงแรงอย่างเต็มที่และแม้ว่าจะดูว่าเนื้อเป็นจำนวนมากชนิดใสกระสอบก็คงหลายกระสอบแต่แค่ช้างตัวเดียวก็ไม่สามารถจะแล่เนื้อได้หมด บางส่วนถูกตัดเป็นก้อนโตๆโตสมย่างรมควันไว้บนร้านย่างเนื้อโดยมีใบไม้ปกคลุมไว้ข้างบนอีกทีหนึ่งสิ่งเหล่านี้ระพินไม่ต้องเสียเวลาสั่งงานพวกพลานพื้นเมืองลูกศิษย์ของเขาและพวกกะเหี่ยงเหล่านี้เข้าใจดีอยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรบ้างตัวระพินเองร่วมรับประทานอาหารเรซ่นชนิดของเหลวอ่อนๆก็ฝ่ายนายจ้างเข้าไปได้บ้างเพียงเล็กน้อย ก็มีอาการพะ อ, อืดพะ อ, อมทำท่าจะอาเจียนออกมาอีกจึงไม่สามารถจะกินต่อได้ใบหน้ายังคงเหลืองซีดและตาโรอยอยู่เช่นนั้นนิรพินคืนนี้คุณจะต้องพักผ่อนอย่างเต็มที่และต้องรับน้ำเกลือ 500cc นะไม่งั้นพรุ่งนี้จะไม่มีแรงเดินหัวหน้าคณะบอกให้เขารู้ล่วงหน้าและเป็นเชิองออกคำสั่งไกลๆระหว่างที่เขายังนั่งกอดเขา่าสูบบุหรี่เฉย อ, อยู่ คิดก็บอกมาอีกคนว่าไม่มีอะไรจะต้องกองังวลไม่ใช่ลรืคุณถ้าหากว่าพวกเราย้ายขึ้นไปนอนอยู่ตามซอกถ้ำบนหน้าผานอนถึงมันจะบุกซ้ําก็ไม่มันก็ขึ้นไปทําอันตรายเราไม่ได้ช้างนะ่ะมันไต่หน้าผาชันขึ้นไปกวนเราไม่ได้ก็จริงคุณไอ้ผีดิบพวกนั้นนะ่ะมันคลานขึ้นไปได้ไอ้เรื่องนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกน้องมือดีของคุณสี่คนแล้วพวกเราก็แล้วกัน คุณนอนโดยไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นน่ะบุญคำนะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าแกมีวิธีที่จะหยุดไอ้พวกผีหาเหล่านั้นได้ยังไงรู้คุณยังไม่ไว้วางใจแกสแตนลีย์พูดด้วยน้ำเสียงปราณีผมไว้วางใจคนของผมเสมอครับแต่ก็ยังไม่ไว้ใจเท่ากับตัวเองอ้าที่ครับถ้านี่เป็นความเห็นในทางแพทย์ผมก็จะยอมทุกอย่างเพื่อพรุ่งนี้เราจะได้ออกเดินทางกันโดยเร็วที่สุดครับ รพินบอกมาอย่างเสียไม่ได้แล้วเอ่ยถามคิดว่านี่คิดทดลองวิทยุของพวกคุณนะยังพอจะใช้การได้บ้างปะในผมทรงลานบินเบปากแย่มากวิทยุมือถือของเรานะ่ะทดลองดูแล้วไม่ได้ผลอะไรเลยเพราะฉะนั้นวิทยุรับส่งเครื่องใหญ่ก็คงไม่ได้ผลเช่นกันเชื่อว่ายพ้นบริเวณหุบเนี่ยไปก่อนแล้วกันมันอาจจะทางานได้บ้าง ไม่รู้ว่ามันมีแร่ธาตุะยัมอะไรอยู่ในบริเวณนี้เนียถ้าไม่กลายเป็นบริเวณอับคลื่นวิทยุไปหมดพวกกระเรียงตะเคียนทองลูกเล็กเด็กแดงและผู้หญิงถูกต้อนให้ไต่หน้าผาขึ้นถ้ำล่วงหน้าไปก่อนแล้วคงเหลือแต่โบเมียนายบ้านและคณะเดินทางเท่านั้นที่จะเป็นชุดหลังตามขึ้นไปเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จสับทั้งหมดก็เตรียมขึ้นโดยทิ้งแคมป์ไว้ด้านล่าง เพื่อความปลอดภัยจันต้อนพวกลูกหาขึ้นไปก่อนพร้อมทั้งในบ้านตะเคียนทองเพื่อจัดหาบริเวณถ้าที่ยังมีอยู่อีกมากมายเพื่อสำหรับการเข้าไปอาศัยยึดนอนพักคืนนี้บางแห่งก็กว้างใหญ่และบางแห่งก็แค่จำกัดบรรจุได้เพียงไม่กี่คนโดยสรรจัดสรรแบ่งกันเป็นส่วนส่วนระปีนคุณยพอมีแรงที่จะปีนหน้าผาขึ้นไปได้ไหมเนี่ย ฝ่ายนายจ้างอเมริกันทุกคนถามเขาเป็นเสียงเดียวกันด้วยความเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงครับแค่นี้เองอะถังนั้นไปคุณค่อยๆไต่ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนนะคริสกเวนคอยขนาบข้างไว้หัวหน้าคณะสั่งการทันทีส่วนผมคิดและเชิดบุตรจะไต่ตามหลังไปอีกทีนึงถ้พาพลังยังไงเราจะช่วยกันรับไว้ได้ทันเราไม่ต้องการให้คุณไต่ขึ้นไปสูงนะัก แล้วคืนนี้เราจับที่ไว้ให้คุณคุณจะต้องเข้าไปนอนอยู่ในซอกถ้ำของสเสอิงจะได้อาศัยเสาน้ําเกลือของสเสอิงด้วยคริสหรือเบงคนใดคนหนึ่งจะอยู่กับคุณบนซอกถ้ำนั้นด้วยเพื่อช่วยเหลือในด้านพยาบาลส่วนพวกผมจะแยกไปนอนอยู่ที่ซอกถ้าตําแหน่งที่เราเก็บสัมภาระส่วนใหญ่ไว้มันก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่กับตําแหน่งนั้นนะพอจะผลวหน้าออกมาตะโกนเรียกกันได้ยินะนะขณะนั้น เกือบมืดสนิทลงแล้วอากาศเริ่มหนาวเย็นจัดระพินไม่อยากจะขัดใจฝ่ายนายจ้างจึงไม่กล่าวอะไรอีกข บ, บวนทั้งหมดเดินไปทางชันขึ้นมาชิดกันหน้าผาทันทีและก่อนที่เขาจะเริ่มปีนป่ายขึ้นไปนั่นเองคริสตินาก็กระชากไรเฟิลจากไหลเขาไปถือไว้ให้ฉันถือให้คุณดีกว่าระหว่างที่ไต่หน้าผาคุณไม่ควรจะบรรทุกน้ำหนักอะไรเลยสักอย่างเดียวนอกจากตัวเปล่า นี่คุณคุณเห็นผมเป็นทารกไปซะแล้วเหรอระพินคุณยังเป็นคนป่วยอยู่นะเอาตัวให้รอดภายในคืนนี้ซะ ก, ก่อนแล้วกันแล้วพรุ่งนี้ค่อยเป็นคนเก่งต่อไปถ้าเรี่ยวแรงกลับคืนมาเหมือนเดิมหล่อนพูดข้วนเสียงเฉียบขาดระพินไม่อยากขัดใจคริสติน่าเท่าๆ่ากับที่ไม่อยากจะอวดเก่งและโดยแท้ที่จริง ก็สำนึกในสังขารตนเองในขณะนี้ได้ดีว่ามันอ่อนระโหยโรยแรงเช่นไรเมื่อล่อนแสดงความปรารถนาดีที่จะรับภาระการแบกรายเฟิลไปให้กับเขาระหว่างการปีนป่ายจึงต้องยอมจำนวนโดยดุดเสนีแต่เปล่าคริสติน่าไม่แบกดุนเหล็กน้ำหนักกว่าสี่กิโลและยาวเกะ ก, กะนั่นให้เสียเวลาพอฉวยไปจากมือเขาได้ก็โยนส่งไปเชิดวุดหนาตาเฉย ซึ่งนายทหารหนุ่มก็รับไว้โดยดีตัวหล่อนเองเอานิ้วขีบแขนเสื้อเขาพยักหน้าบอกโอเคอัพอัรัพินไพยวันรวบรวมกำลังค่อยๆไต่แง่หินขึ้นไปเป็นระยะระยะดูเขาเชื่องช้าไปมากในหัวค่ำนี้โดยการไต่เคียงขนาบข้างเป็นพี่เลี้ยงของอิสเบลและคริสติน่าส่วนต่าลงไปเชิดบุตร สเตลีและคิดไปเรียงเป็นหน้ากระดานเว้นช่วงระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงคนเตรียมพร้อมที่จะช่วยรับยันไว้ได้ทันทีหากพรานใหญ่ผู้บตดนี้กลายเป็นคนป่วยไปเสียแล้วเกิดเป็นลมหน้ามืดหลุดร่วงทลไหลลื่นลงมาโดยที่สองสาวไม่อาจจะเหนียวไว้ได้ทันสองสามครั้งที่ระพินหยุดพักหายใจหอบหอบและกัดฟัน ฝืนกำลังกายตนเองอย่างเต็มที่และครั้งหนึ่งตอนที่หูนต้นไม้เล็กๆซึ่งงอกอยู่ขึ้นไปมืออันเปียกชื้นไปด้วยเหงื่อทำให้ลื่นลุดทำท่าจะถลายเอาอกครูดพื้นหินลงมาแต่คริสติน่าคว้าคอเสื้อหิ้วไว้ได้อย่างมั่นคงหลอนแข็งแรงมากจริงๆพอเบลหิ้วปีกอีกข้างหนึ่งช่วยรัง้งจอมพลานกตะเกียกตะกายขึ้นไปได้โดยไม่ถึงกับจะต้องเป็นภาระของอีกสามชายชะกัน ที่คอยจ้องระวังคุมเชิงอยู่ด้านล่างและนี่ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกในชีวิตพรานใหญ่ผู้ยิ่งยงเช่นเขาที่แทบจะเรียกได้ว่าหมดท่ารู้สึกอับอายและขัดใจตนเองจนบอกไม่ถูกคริสติน่าดูเหมือนจะรู้ใจตกเบาๆมาที่แผ่นหลังของเขากระซิบอ่อนโยนว่าระพิน ไม่มีใครแข็งแกร่งอยู่ได้ทุกขนาดหรอกคุณตามปกติแล้วเราควรจะต้องทำเปรีชักรอบหรือหามคุณขึ้นไปแบบเดียวกับสเอิแต่เราไม่กล้าเพราะรู้ว่าถึงยังไงคุณก็คงไม่ยอมอย่างเด็ดขาดคิดซะว่าคุณน่ะเป็นคนไข้ที่เพิ่งจะรอดตายมาได้ไม่กี่ชั่วโมงมานี่ก็แล้วกันนะอย่าคิดว่าคุณคือระพินไพรวันซึ่งครั้งหนึ่งเคยช่วยชีวิตของผู้หญิงต่างชาติ ที่อวดดีคนหนึ่งให้รอดจากการตกเหวลึกขณะไต่เรียบริมหน้าผาได้อย่างบุดบิดด้วยด้วยวิธีที่แม้แต่นักกายกรรมของโลกคนใดก็ไม่สามารถจะทำได้อย่างคุณระพินเงียบกริบกลั่มกลืนความรู้สึกอันขมขื่นบางชนิดลงเก็บไว้ในหัวใจดวงตาแห้งผากแต่ไม่มีใครเห็นเพราะซ่อนอยู่ในความมืดมนของบรรยากาศ สูงขึ้นไปมองเห็นไฟจากดวงใต้ที่เกรียงตะเคียนทองและกลุ่มลูกหาพรานพื้นเมืองของเขาแว่งอยู่วูบว่บให้เห็นตำแหน่งปากถ้ำต่างๆผ่านแท่นโคตินเรียบบริเวณที่เมื่อคืนนี้เขาได้สูญเสียสัจจ์อันให้ไว้กับตัวเองกับอิสเบรีร์ด้วยเล่ห์ของแม่ผมแดงที่ทำให้เขาต้องหน้ามืดขาดสติยับยัง้ง ถูกแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนอกจากระหว่างเขากระเบนสองต่อสองเท่านั้นแต่เทพยาดาฟ้าดินและดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์เห็นระพินกัดริมฝีปากแน่นสาบแช่งตัวเองแม้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะมีเหตุวิบัติจนถึงกับชีวิตก็สมควรแล้วเขาจะไม่โทษอะไรทั้งสิน้น ยิ่งหงุดหงิดและสะเทือนใจหนะักเมื่อเห็นเบนไปยืนยิ้มพรายสูดลมหายใจลึกอยู่ตรงตำแหน่งนั้นเอามือแตะริมฝีปากและลูบลงกับโขดหินคูหาบังอันเปรียบเสมือนห้องหอตำแหน่งนั้นพูดเสียงหวานใส Very nice place I love it Don't you think so ไร่ฝัน สามคนที่ไต่ตามมาด้านล่างไม่ได้ยินแต่สองคนคือเจ้าตัวคนพูดถูกกระทบและยังแสบหัวใจอยู่กับคริสติน่าที่ไต่อยู่เคียงข้างได้ยินชัดเจนที่สุดเบียนแกล้งพูดดังนั้นแล้วก็ลงนั่งทอดอารมณ์สูบบุหรี่ซะยังงั้นปล่อยให้คริสติน่าพยุงคนป่วยไต่ต่อไปตามลำพัน แม่ผมทองชำเลืองมองดูหน้าเขาในเงามืดกระซิบเสียงเบาที่สุดระพินคุณถูกขมือบที่นี่ใช่ไหมเมื่อคืนระพินกระเดือกน้ำลายอันแห้งผากไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะปิดบังความรู้สึกของเขาที่มีต่อคริสติน่าในขณะนี้ก็เหมือนเพื่อนชายคนหนึ่งคริสแม้แต่พระเจ้าก็ช่วยผมไม่ได้เมื่อคืนนี้ ก็นี่แหละคือสายเหตุให้เกือบตายโหงพลาดท่าศัตรูเมื่อตอนใกล้รุ่งไงไร้สาระนารพินคุณถือโชคลางเกินไปน้ำเสียงกระซิบกระซาบ ข, ของแม่ผมทองที่มีต่อเขาแสดงถึงความเห็นใจคริสแต่ชีวิตผมอยู่ได้ด้วยโชคลางและสัจจินะที่แรกฉันก็คิดว่าเป็นเรื่องน่าหัวเราะผู้หญิงสาวสวยมีสเสน่ห์ในทางเพศมากที่สุด เปิดโอกาสให้มีการสัมพันธ์ทางกายกับคุณแต่คุณกลับเสีย อ, อกเสียใจเสียเหลือประมาณแต่เดี๋ยวนี้ฉันไม่คิดอย่างนั้นแล้วฉันสงสารคุณระผินคุณเป็นคนดีน่านับถือมากคริสไม่ดอกทองเหมือนโปรเถระพินอย่าด่าเบนรุนแรงถึงขนาดนั้นเลยคุณถึงยังไงเบนก็ปรารถนาดีต่อคุณไม่น้อยไปกว่าฉัน แต่เขาโลดโผนกากันเกินไปหน่อยเท่านั้นถ้าไม่เอาเรื่องพันธะทางใจที่คุณมีอย่างมั่นคงแน่นแฟน้นอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งมาเกี่ยวข้องโดยพิจารณากันเฉพาะแง่สรีระวิทยาคุณก็คงไม่ปฏิเสธว่าคุณมีความสุขและผ่อนคลายอารมณ์ตึงเครียดลงไปได้มากฉันสังเกตเห็นคุณแจม่มใสกระพรี้กระเปร่าขึ้นมากทีเดียวเมื่อตอนที่คุณกลับลงไปที่แคมป์ของเราเมื่อตอนหัวค่ หลังจากขึ้นมาบนนี้กับเบลนี่คริสถามจริงฮะเบลเล่าอะไรคุณฟังมั่งไหมคุณเข้าใจผิดมากนะระพิมเบนจะไม่พูดอะไรต่อให้เค้นคอถามก็ไม่ยอมบอกแต่ฉันรู้จักแววลตาจากท่าเทียนสอบพิรุษของเขาเรื่องอย่างงี้ผู้หญิงกับผู้หญิงก็ดูกันออกคุณคริส เห็นกับพระเจ้าเถอนนะคุณก ร, รุณากันเบลไว้ย้ยายเข้ามาใกล้ผมในสภาพสองต่อสองอีกได้ไหมนี่ผมพูดอย่างเพื่อนอย่างคนรักน้ำใจกันนะคุณทั้งสองกระซิบพูดซึ่งกันและกันโดยเฉพาะระหว่างที่ค่อยๆไต่ทางขึ้นไปชนิดไหลกระทบไหลตกลงระพินฉันจะช่วยเท่าที่จะสามารถ แล้วฉันน่ะคุณอันเกียรติไหมเพราะถึงยังไงคืนนี้ฉันจะต้องคอยดูแลคุณอยู่ด้วยคริส <Chris. S 1> คุณไม่เคยทำอะไรให้ผมต้องรู้สึกเสียใจในตัวเองเลยและผมก็ยอมรับนับถือคุณเท่ากับเพื่อนผู้ชายอกสามศอกคนหนึ่งตกลงครับคืนนี้ผมยินดีที่จะมอบตัวเองให้อยู่ในความดูแลของคุณอย่างปลอดโปร่งโล่งใจที่สุด และพรุ่งนี้เช้าผมจะต้องหายเป็นปกติรับใช้พวกคุณได้อย่างมีสมรรถภาพเหมือนเดิมนี่คุณอย่าเพิ่งวางใจไรฉันนักนาะฉันอาจจะร้ายกาจยิ่งกว่าเบลหลายเท่าก็ได้คริสติน่าบอกมาด้วยเสียงรากเรียรบรพินถูกส่งเข้าไปอยู่ในคูหาที่พักของเสอเอิงกับครอบครัวอันเป็นถ้ำของหน้าผาที่ไม่สูงเกินไปนัก พอถึงเขาก็ลุงนั่งหลับตาพิงผนังด้วยความเหนื่อยอ่อนเสอเอิงผู้ค่อยยังชั่วมากแล้วได้คลานจากที่ของตนตรงเข้ามาที่เขาด้วยความเป็นห่วงพร้อมทั้งเมียซักถามพูดด้วยอย่างตืง่นเต้นคู่หานั้นไม่กว้างแต่ก็ไม่แคบนักพอที่จะอาศัยพักนอนร่วมกันได้สำหรับคนห้ากคนกลุ่มนายจ้างช่วยกันจัดสรรเครื่องอำนวยความสะดวกในการพักแรมคืน ได้รักษาพยาบาลมาให้แก่เขาและสนทนากันอยู่ที่นั่นอีกสักครู่ใหญ่แล้วก็เคลื่อนย้ายกันไปนอนอย่างซอก่้ำใหญ่อันเป็นที่เก็บสัมภาระทั้งหมดระพินมีเรื่องที่เราจะต้องปรึกษากันอีกมากแต่อย่าเพิ่งคืนนี้ก่อนเลยเอาเป็นว่าคุณนอนพักซะก่อนหัวหน้าคณะบอกภายหลังจากดูแลอำนวยความสะดวกให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนเบนั้นก่อนจะผละออกไปก็หันมารีตาให้คริสตินานิดนึงบอกว่าคริสฝากดูแลคนเจ็บให้ดีที่สุดด้วยนะแล้วก็เกาะไหลเชิดบุตรข้างนึงคิดอีกข้างนึงเดินเรียบปากถ้ำออกไปภายในถ้ำของเสเองบัดนี้จึงเหลือแต่เพียงกระเหี่ยงผู้ครอร้าย ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆระพินและคริสติน่าผู้กำลังแขวนถุงน้ำเกลือลูกเมียของเสอเงนาะถอยเข้าไปหลบนอนอยู่ในมุมหนึ่งแล้วบุญคำเกิดจันและเซยลูกศิษย์ทั้งสี่คนของเขาจึงค่อยๆทยอยกันเข้ามาหาเจ้านายโดยเฉพาะบุญคำนำมาเป้หลังและอัถะบริขารประจาตัวของเขา ที่คริสติน่าถอดออกส่งให้เก็บไว้ในระหว่างที่เขายังนอนสลบอยู่มาคืนห้ยอมพรานสั่งงานกับคนของเขาว่าทุกคนควรจะทำยังไงบ้างตลอดคืนอันตรายอีกคืนหนึ่งนี้ฉันจะหลับให้สนิทที่สุดในคืนนี้ฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพวกเราสี่คนโดยเฉพาะบุญคำประโยคท้ายสุดเขากาชับ ไม่ต้องห่วงหรอกนายเป็นหน้าที่ของบุญคำกับไอ้บวกนี้เองแล้ว น, นี่ยังไงนายต้องเติมน้ำมันอีกเลยเนี่ยตะพรานเท่าถามหน้าตื่นตื่ น, นเมื่อมองเห็นแม่มคริสกำลังจัดการอยู่กับถุงน้ำเกลือและเข็มฉีดยารพินพยักหน้าอย่างโรยโรยอืมไม่เติมน้ำมันก็แล่นไม่ไหวอะพรุ่งนี้หมอก็บอกงั้นพรุ่งนี้พวกเราทั้งหมด รวมทั้งกะเหลี่ยงตะเคียนทองจะต้องอพยพจากที่นี่ไปด้วยกันทั้งหมดรวมทั้งสเสองนี่ด้วยคริสบอกอย่างเป็นกันเองที่สุดกับกลุ่มลูกน้องของระพินที่นั่งล้อมเจ้านายอยู่สําหรับสเสองนะ่ะเขอยังชั่วมากแล้วละ่ะแต่เขาก็ยังไม่สามารถเดินไปกับเราได้นอกจากจะต้องให้พวกเขาทําแค่หามไปทํำไมเติมน้ํามันให้กับเจ้านายของบุญคำแล้วก็ นอกจากเสอเอิงแล้วเราจะต้องเป็นภาระหามเจ้านายของบุญคำไปด้วยอีกคนนึงเจ้างั้นเหรอโอ้หามไอเอิงคนเดียวก็เป็นภาระแย่ yeah, แล้วไหนจะเข้าของขอ ง, ของไอกะเรียงอพยพพวกนี้อีกพรุ่งนี้คงจะล่อกันเป็นขบวนใหญ่ทีเดียวแล้วคนอย่างนายของบุญคำถ้าถึงก็ต้องหามกันไปเมื่อไหร่ก็แปลว่าหามลงหลงไม่จะหามไปไหนหรอกเพราะฉะนั้น แมมน่าต้องทําให้แกเดินได้พรุ่งนี้เนี่ยก็นี่ยังไงอ่ะกลังจะเติมน้ํามันให้อยู่นี่บุญคํากับพวกเราสามคนน่ะออกไปหลับนอนกันได้ละอ๋อแล้วก็ช่วยก่อไฟไว้หน้าเวิร์กทัมนี่ด้วยสักกองหนึ่ง น, นะไม่ต้องใหญ่รักรอกแล้วก็อย่าให้ดับใครอยู่เวีนยามก็สั่งให้คอยมาเติมเชื้อไว้ด้วยแล้วกันแล้วแมมหมอไปไหนซะแล้วล่ะอยู่แต่แมมคริสหรือไง บุญคำถามคริสติน่าหัวเราะเบาๆแม่หมอเขาก็ไปนอนสบายกับพวกเขาแล้วนะสิก็เหลือแต่แมมคริสคนเดียวนี่เท่านั้นแหละก็แปลว่าแมมคริสจะเฝ้านายคืนนี้นะหรือบุญคำจะเฝ้าแทนฉันแต่เท่ายิ้มแย่ๆไอ้คำนะั้มีหน้าที่จะต้องดูแลข้างนอกนูน่นจะมานอนเฝ้านายอยู่คนเดียว เกิดคนอื่นหายหรือตายไปก็สวยเท่านั้นเอาว่าแต่แมมคริสต์รักษาเป็นด้วยเลอเป็นสิทำไมจะไม่เป็นรักษาตายมาหลายคนแล้วบุญธรรมสะดุ้งอยู่ทำหน้าพิกลแล้วมองดูเจ้านายผู้นั่งพิงผนังหินคอตกอยู่นายกูเ น, ะนาะนายกูหน้าสังเวช ท, ทุเรศจริงๆ อยู่น้องนำแห่งสบายสบายดีอยู่แล้วบทจะเคราะห์ขึ้นมาเคราะมันก็แหลนก็มาหาตัวเองได้เอาละแมมพวกไอ้คําฝากนายด้วยนะแกกำลังอาาถูรายญาติขาที่พึ่งมีก็แต่ลูกน้องไม่ประสิทธิประสาสักคนเดียวนายหญิงก็ไม่รู้จักจะตามมาสักทีสงสัยจะตัดหางปล่อยเข้าป่าหญ้าสีทองไปซะแล้วก็ไม่รู้สิ ระพินเปิดเปลือกตาขึ้นออกไปได้แล้วบุญคำก่อนที่ฉันจะลุกขึ้นแล้วก็เขาขยับเท้าบุญคำทำจมูกย่นนิดนึงรีบสะกิดลูกน้องถอยห่างออกพัน ท, ทีร้องบอกมาเป็นภาษากะเรียงป้องกันแม่คริสติน่าฟังรู้เรื่องว่านายนอนให้หลับสนิทนะนายอย่าลุกขึ้นมาเดินตกโพรงหญ้าสีทองอีกละ่ะ เมื่อคืนนี้ตกโพรงหญ้าสีแดงไปทีหนึ่งแล้ะถึงขั้นกระอักออกมาเป็นเลือดเลยและตาเท่าจอมสับป์ปูดก็พลุกหายออกไปพร้อมกับจันเกิดและเสยความเงียบเข้ามาปกคลุมภายในเวิงถ้ำนั้นสเสองถอยกลับไปนอนอยังที่ของตัวเองแล้วริมผนังด้านหนึ่งจึงเป็นที่ของระพินกับผู้ที่จะบริบาลเขา ในคืนนี้โดยเฉพาะคริสติน่าซุดตัวลงเอาผ้าผวยปูแทนที่นอนให้และวางเป้หลังไว้ให้เป็นหมอนปากก็ถามว่านี่คุณตาแกโสโครกนั่นผู้ไรก็คุณนะอย่าไปสนใจอะไรแก่ๆเลยคริสบุญคำก็เป็นคนตลกโลนขนองตามสันดานของแกอย่างนั้นแหละแต่ฝีมือในเยี่ยมที่สุดในบรรดาลูกน้องสี่คนของผม ถ้างั้นคุณก็มานอนเถอะฉันจะได้ให้น้ำเกลือแล้วฉันก็จะได้นอนมั่งเหมือนกันคริสติน่าบอกเอามือตบลงตรงบริเวณที่ปูผ้าผุยไว้แล้วเข้ามาประคองไหล่เขาคริสอยากจะได้แบรนดีสักนิดแล้วก็บุหรี่สักตัวถ้าไม่ขัดกับเหตุผลทางการแพทย์คริสติน่าเอี้ยวตัวไปทางด้านสัมภาระส่วนตัวของหลอนอึดใจเดียวก็ส่งถ้วยพลาสติก บรรจุบรันดีประมาณครึ่งถ้วยส่งให้แล้วควักบุหรี่ตัวหนึ่งส่งไปให้เขาประพินพึมพำขอบคุณอาปากหาวยกถ้วยบรันดีขึ้นสูดดมลึกแล้วจิบจากนั้นก็เริ่มอัดบุหรี่จนแดงว่าตามองดูอยู่ที่กลุ่มควันสีเทาภายในถ้ำสว่างลัวลัวด้วยตะเกียงนีออนขนาดเล็กที่ยังเปิดอยู่คริส ้งแต่ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้นี่ผมยังไม่ได้ขอบคุณคุณเลยนะเรื่องอะไรคุณผมทราบภายหลังว่าขณะที่ผมลงไปนอนติดโขดหินและถาวันอยู่กลางเหวลึกนะ่ะคุณเป็นคนไต่เชือกหย่อนตัวลงไปจัดการผูกมัดร่างกายผมให้พักพวกดึงขึ้นมาแล้วก็ไต่เชือกตามประคองร่างกายของผมขึ้นมาด้วยทุกระยะไม่ให้กระทบแง่หิน ถ้าคุณจะขอบคุณกันด้วยเรื่องแค่นี้นะรพินฉันเองไม่ต้องขอบคุณคุณมากไปกว่านี้สักร้อยเท่าในสิ่งที่คุณเคยช่วยฉันมาก่อนล่ะคริสคุณเป็นคนเด็กเดียวกล้าหาญแล้วก็ใจถึงคริสติน่าสายสีสาช้าชา้าตาประสานเขานี่ระพินพวกเราทุกคนที่มานี่นะเด็กเดียวกล้าหาญแล้วก็ใจถึงด้วยกันทั้งนั้นแหละ มันสุดแต่ว่าเมื่อไร่ใครจะมีโอกาสแสดงชัดออกมาในรูปใดเท่านั้นไอเหตุผลที่ฉันไต่ลงไปช่วยคุณก็คือหนึ่งฉันไต่เชื่อคล่องกว่าทุกคน 2. ตัวเบาทำให้เสียงน้อยกว่าทุกคนแล้วก็สามคนอื่นถึงจะไม่ได้ไต่ลงไปช่วยคุณแต่ก็คอยช่วยในด้านอื่นๆที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเลยคิดไหมคุณ เมื่อเย็นในี่คุณทานอะไรไม่ได้เลยนะถ้าได้อาหารบ้างแล้วก็มีน้ำเกลือช่วยอีกด้วยก็จะดีมากนะระพินสันหน้าดื่มแบรนดีรวดเดียวหมดแล้วป้ายแขนเสื้อเช็ดริมฝีปากหันไปตรวจสอบของกระจุกรกระจิกที่ถูกนำมาคืนโดยกองอยู่ใกล้ๆที่นอนไม่กล่าวอะไรอีกง่วนอยู่คนเดียวตลอดเวลาแม่ผมทองนั่งคุกเข่าสังเกตอาการอยู่เงียบเงีย ด้วยดวงตามีประกายลึกต่อมาก็เห็นเขาหยิบซองหนังเก่าๆขึ้นมาถือไว้ขยับตัวมายังที่นอนเอ็นกายลงเหยียดยาวเอาสีษะ พ, พาดบปหลังไว้เปิดซองนั้นเหมือนจะค้นหาอะไรสักอย่างหนึ่งขาวหน้าเริ่มกังวลวิตกพยายามจะเปิดดูทุกซอกอย่างรีบด่วนลุกลี้ลุกลนคริสตินาทอดกายลงนอนตักแทงเข้ามาใกล้ หันตะเกียงแบตเตอรี่สองห้พร้อมทั้งค่อยๆ ย, ยื่นส่งสิ่งหนึ่งไปตรงหน้าเขาระพินคุณกำลังหาสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมระพินลืมตาโผลจ้องขมิงแล้วคว้าไป ท, ทันทีจ้องหน้าหลอนใบหน้าของคริสติน่าขณะ น, นี้ก้มลงมาใกล้และร่วมดูอยู่ด้วยห่างกันเพียงแค่ฝ่ามือเดียว กรุณาอย่าคิดว่าฉันบังอาจจะละลาบละลวงสิ่งนี้นะ่ะตกลงมาในขณะที่ฉันปลดของทุกอย่างในตัวคุณออกเพื่อให้คุณนอนสบายระหว่างสลบอยู่จะสอดกลับคืนลงไปในซองธนบัตรนั่นตามเดิมนล่แหะแต่ก็กลัวจะตกหายเพราะจะต้องมอบให้บุญคำเก็บของของคุณไว้ก็เลยเก็บไว้ก่อนพร้อมกับพูดหล่อนใช้ไฟฉายประจาตัว ส่องไปที่ภาพนั้นอีกรัพินนิ่งไปนานมือที่ถือภาพนั้นสั่นน้อยๆละสายตาจากคริสมาจ้องที่ภาพนั้นแน่วนิ่งแล้ววางแนบไว้กับสวงอกหลับตาลงพึงพำขอบคุณขอบคุณครับที่อุตส่าห์เก็บไว้ให้ครับสวยมากนะคุณ ฉันยังไม่เคยเห็นผู้หญิงเอเชียคนไหนจะสวยอย่างนี้มาก่อนอ่อนหวานลึกซึ้งแล้วแฝงแววเฉียบขาดมีอำนาจอยู่ในแววตาคู่นั้นแยกไม่ออกระหว่างความคมเฉียบกับความหวานซึ้งเพราะฉะนั้นฉันจึงไม่สงสัยอะไรอีกเลยว่าทําไมคุณถึงปวดร้าวทรมานมากเมื่อความจำเป็นบีบบังคับ ให้คุณต้องจากเธอมาเช่นนี้คริสค่ะแทนที่จะเป็นคำตอบว่าหึหรือเยสเหมือนเคยคริสติน่ากลับจอริมฝีปากไปที่ริมหูเขาเป็นภาษาไทยที่ชัดเจนที่สุดเอาเข็มทิ่มน้ำเกลือให้ผมเถอะคุณแล้วก็หยิบยาระงับประสาทหรือยานอนหลับให้ด้วยให้มากมากนะ ผมต้องการหลักให้สนิทที่สุดคุณรพินบอกทั้งทั้งที่ทยังหลับตาอยู่เช่นนั้นมีเสียการเคลื่อนไหวขยับตัวแผ่วเบาของคริสติน่าแล้วแขนข้างที่ไม่ได้ถือรูปภาพประทับไว้กับหัวใจของเขาอีกข้างหนึ่งก็ถูกเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เย็นเฉียบก่อนที่จะรู้สึกถึงปลายเข็มแหลมคมเสียวแปลบเหมือนมดกัดที่ผิวหนัง ต่อมาก็มีพลาสเตอร์ปิดพับรึงไว้ยานอนหลับนะ่ต้องให้แน่ๆล่ะคุณแล้วก็ผสมอยู่ในนี่แล้วแต่มากนักไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะไม่ตื่นฉันไม่ได้เสียดายมรคุเทศที่จะต้องหลับนิรันดร์นะคุณแต่จะรู้สึกเป็นบาปทางใจอย่างมากถ้าหากจะให้คู่รักทั้งสองต้องแยกจากกันตลอดไปเพราะฝ่ายหนึง่งถูกยานอนหลับเกินขนาดคริส ผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองนะว่าคุณเป็นคนน่ารักเพราะฉันเห็นใจในความรักของคุณทั้งสองใช่ไหมล่ะด้วยตาที่หลับบุกบุรุษที่เกิดมาอาพับที่สุดพยักหน้าใช่ครับหลับนะคะระพินประทับรูปของเธอแนบอกไว้เช่นนั้นไม่มีผู้หญิงคนไหนมาแทนเธอสำหรับคุณได้หรอกแต่ขณะ น, นี้เธอผู้นั้นห่างไกลนะัก ฉันคิดว่าเธอกําลังคร่ำครวญถึงคุณอยู่เช่นกันอย่างน้อยที่สุดคืนนี้คืนที่คุณเจ็บป่วยว้าเวและปวดร้าวที่สุดก็ขอให้ฉันได้ทำหน้าที่แทนเธอผู้นั้นเถอะฉันจะพยายามทำให้ใกล้เคียงที่สุดอนุญาตไหมระพินน้ำตาซึมพยักหน้าอีกครั้ง เขารู้สึกว่ามีผ้าผวยผืนหนึ่งถูกคลี่ออกข่มให้จากปลายเทา้าคลุมมาถึงอกด้วยมืออันอ่อนโยนแผวละมุนที่สุดเหน็บชายทั้งสองด้านเข้ามาที่ข้างลำตัวฝ่ามือกอบไปด้วยการุนในสัมผัสเสยที่เส้นผมเขาแผวเบาใช่แล้วนั่นคือลักษณะของแม่ดอกฟ้าดารินวราฤทธิ์ของเขา ประพินสะกดสะอื้นไว้ในหัวอกต่อมาริมฝีปากอ่อนนุ่มแถวที่สุดก็แตะมาที่หน้าผากพร้อมกับเสียงกระซิบนิตราสวัส์จอมพรานของฉันเสียงกระซิบนั้นเป็นเสียงดารินชัดชัด ด้วยจิตที่ไร้สํานึกเหมือนคนที่ถูกสะกดแขนข้างหนึ่งของระพินโอบร่างนั้นรั้งให้แนบสนิทเข้ามาพึมพำออกมาด้วยเสียงแหบราคขณะที่น้ำตาไหลเป็นทางคุณหญิงคุณหญิงของผมคุณจะเป็นใครก็ตามแต่ขณะนี้ คุณคือมอมราชวงศ์หญิงดารินบาราริสกอดผมสิครับกอดผมให้แน่นที่สุดครับอ้อมแขนอันอบอุ่นทอดข้ามลำตัวของเขาแล้วโอบกระชับเข้ามากอดแน่นร่างกายเบียดชิดและศีรษะก็วางซบอยู่กระเนินไหล่ทุกิริยาบทอันอ่อนหวานละมุนละไมนั้นประดุดว่าจะมีดวงวิญญาณของสตรีนางหนึ่ง เข้ามาสวมครอบนำไว้ระพินไม่อาจจะเปิดเปลือกตาขึ้นดูได้อีกแล้วเขาเกรงว่าหากลืมตาขึ้นเมื่อใดใบหน้าที่แนบข้างประคองทันหนอมปลุกปลอบเขาอยู่ในขณะ น, นี้จะกลายเป็นคนละใบหน้ากับสตรีหนึ่งที่หัวใจคร่ำครวญร่ำร้องเพรียกหาแล้วเขาก็สนิจนิทรา กึ่งสุขกึข่งเศร้าไม่อยากที่จะตื่นขึ้นมาอีกแล้ ว, 64. ก, กลว64ก็ฉะไหนเล่าคำว่านิทราสวัสดิ์ยอมพรานของฉันจะไม่พานออกจากริมฝีปากของผู้หญิงอีกคนหนึ่งแววกระซิบเข้าไปในโสตประสาทของระพินเสมือนหนึ่งจะเป็นกระแสคลื่นอากาศที่ถ่ายทอดไปในเมื่อนะบัดนี้ เวลาเดียวกันนี้เจ้าของประโยคอันแท้จริงกำลังนอนตะแคงกอดหมอนใบที่เขาเคยหนุนนอนอยู่บนเตียงบ้านพักหนองน้ำแห้งด้วยดวงตาที่คลอหยาดน้ำและกระซิบถ้อยคำนี้ฝากลงกัหมอนบนเตียงนอนของเขานั่นเองบนเตียงในห้องของเรือนที่ปลูกคร่อมต้นไม้ แบบบ้านทาศานหลังนี้ไม่นานมานี้นี่เองหล่อนและเขานอนตะแคงหันหน้าเข้าหากันภายในโปรงแบล็งเกตผืนเดียวกันตาต่อตามองประสานกันสนิทภายในแสงเรืองของดวงจันทร์ที่สาดลอดหน้าต่างเข้ามานั่นมันเป็นคืนสุดท้ายแล้วคืนซึ่งเมื่อผ่านพ้นไปแล้ว ก็ไม่คิดฝันว่าจะต้องพลาดพลาดจากกันอาจชั่วนิรันด์ดารินวราริต จ, จูบที่หมอนใบนั้นแล้วกอดไว้แน่นพยายามจะจ้องมองมันเพ่งให้เกิดเป็นภาพของเขาขึ้ น, ลนหล่นหลบเข้ามานอนทรมอยู่ในห้องของระพิงตั้งแต่หัวค่ำแล้วภายหลังอาหารปล่อยให้เชฐิฐาอนุชาชัยยันและนายอัมพล นั่งปรึกษาหารือตลอดจนกระเตรียมเข้าของสำหรับการเดินทางอย่างเร่งด่วนอยู่ที่โต๊ะอาหารและชานบ้านซึ่งมีลูกบ้านหนองน้ำแห้งชั้นอาวุโส อ, อีกสองสาคนมาร่วมให้รายละเอียดตลอดจนการกาหนดวางตัวลูกหัดารินอ้างว่าไม่สบายและความจริงก็ไม่สบายเพราะป่วยทางใจอย่างหนักพี่ชายเพื่อนและทุกคนไม่มีใครขับ เมื่อล่อนขอปรีตัวตามลำพังเข้าห้องส่วนตัวของระพินไประพินคะคุณจะอยู่กับใครอยู่ที่ไหนในสภาพเลวร้ายเช่นไรก็ตามก็ขอฝากด้วยขอให้เธอผู้นั้นจงมีความรักเมตตาต่อคุณเหมือนที่ฉันมีดารินกระซิบแผ่วเบาที่สุด ปนสะอื้นฝากเขาไว้ด้วยนะคริสตินา่าไม่มีผู้ชายคนไหนจะน่าสงสารเท่ากับคนคนนี้อีกแล้วปราณีเขาเถอะเมตตาเขาเถอะแล้วก็รักเขาเถอะถ้าจะรักเขาได้ดูแลเขาแทนตัวฉันด้วยฉันรู้ ว่าเขากำลังบอบช้ำเจ็บมากฉันอาจไม่ได้พบเห็นเขาอีกแล้วแต่ก็จะขอตามไปจนกว่าจะถึงหลงฝังศพของเขาดารินไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเหตุใดจึงภาวนาขอฝากไว้แก่ผู้หญิงอเมริกันผมสีทองที่ชื่อคริสติน่าในเมื่อก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่ร่วมทางไปด้วยซ้ำยังเป็นแพทย์ ที่ชื่ออิสเบลเบื้องนอกพรรคพวกจะปรึกษาหารือกันเช่นไรหล่อนไม่สนใจได้ยินแต่เสียงพูดคุยกันงึมงามฟังไม่ได้สัตว์สัมภาระเข้าของใดๆหล่อนไม่มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมทั้งสิ้นปล่อยภาระทั้งหมดไว้ให้แก่เชษฐาอนุชาพี่ชายทั้งสองคนและชัยยันกับนายอัมพลหล่อนมาอย่างคนไม่มีหัวใจ จำได้แต่เพียงว่าออกจากกรุงเทพเมื่อสายจัดแล้วพี่ชายทั้งสองและเพื่อนตระเตรียมของกันอย่างฉุกเฉินรีบด่วนถึงสถานีกักสัตว์ของนายอัมพลประมาณเกือบบ่ายสี่โมงเย็นมีการตระเตรียมอะไรกันที่นี่อีกชั่วโมงเศษตัวหล่อนเองนั่งซึมอยู่ตลอดเวลาอยากจะไปกราบเยี่ยมเยนคุณแม่ของระพินใจจะขาดแต่เมื่อรู้จักนายอัมพลล่วงหน้าแล้วว่าการจากไปของระพินในครั้งนี้ มารดาผู้ชราของเขาหาได้ระแคะระขายไหมว่าลูกชายคนเดียวมุ่งหน้าไปไหนหล่อนก็ไม่กล้าที่จะไปเยี่ยมสุภาพสตรีสูงอายุผู้นั้นได้เกรงจะหักท่ามใจไว้ไม่ได้แล้วก็จะสอพิรุธของลางร้ายให้สตรีชราผู้น่าสงสารเกิดสงสัยขึ้นซึ่งก็เท่ากับเป็นการบอกข่าวร้ายฆ่ามารดาของระพินโดยตรงนั่นเองเชิฐา อนุชาชัยยันใจร้อนไม่น้อยไปกว่าดารินเช่นกันไม่ฟังคำทัดทานจากนายอัมพลที่จะให้พักอยู่ที่สถานีกักสัตว์ในเขตตำบลสักคืนหนึ่งก่อนแต่ให้มุ่งหน้ามานอนพักยังบ้านหนองน้ำแห้งของระพินเลยทีเดียวบุกบันตะลุยกันมาจนเกือบจะสิ้นแสงตะวันแล้วจึงมาถึงทุกอย่างเร่งด่วนแข่งกับเวลาทั้งสิ้นโดยบอกให้มาตรเตรียมทุกอย่างให้พร้อมอีกครั้ง ที่หนองน้าแห้งและถ้าทุกอย่างจัดหาได้พร้อมพรุ่งนี้คือกําหนดเดินทางแน่นอนนายอภินจะรู้อย่างไรติดนายอภินจะอยู่อย่างไรติดก็ต้องเพนติดตามคณะมาด้วยและคืนนี้ก็อยู่ที่นี่ด้วยเพื่อเป็นเจ้าภาพอำนวยความสะดวกต่างๆจนกว่าคณะติดตามจะเริ่มออกเดินทางจากไปซึ่งหน้าที่ของเขามีอยู่เพียงแค่นั้น ภายหลังจากมติในที่ประชุมไม่อนุญาตให้เขาต้องไปเสี่ยงชีวิตด้วยอย่างไรประโยชน์และพลอยเป็นภาระให้กับคนอื่นๆซึ่งล้วนแล้วแต่เคยผ่านประจนภัยกลางป่ามหาการมาแล้วทั้งสิ้นทุกคนที่ยังหารืออย่างเคร่งเครียดอยู่เบื้องนอกคงนึกว่าน้องสาวคนสุดท้องของคณะหลับไปแล้วแต่ปล่าดารินจะหลับอย่างไรได้ลงยิ่งเห็นห้อง ที่เปรียบเสมือนเรือนห อ, อกลางไพรก็ยิ่งปวดร้าวระบมใจหนักร้องไห้เสี จ, จนแทบไม่มีน้ําตาจะหลั่งอีกแล้วทุกอย่างในห้องนอนของระพินไม่มีอะไรเคลื่อนที่ผิดแผลกไปจากคืนที่หล่อนมานอนพักอยู่ในคืนนั้นเลยเหมือนจะทิ้งไว้ให้ดูเป็นอนุสร์ต่างหน้าพระหนึ่งว่าเจ้าของจะไม่ขวนกลับคืนมาอีกแล้ว ระยะเวลาที่นอนเศร้าซมอยู่คนเดียวนี้ลอนหวนคิดไปถึงความเก่าๆซึ่งไม่มีตอนใดเลยที่จะลืมเลือนคิดไปถึงภาพตอนไหนเหตุการณ์นั้นก็ปรากฏชัดในมโนภาพชายร่างสันทัดในชุดเสื้อกางเกงสีกะ ก, กีหรือน้ำตาลมอซอเก่าๆหมวกปีกใหญ่แบบเสือพารานขาดหนังเสือมือคอนไรเฟิล ท่าทางเคร่งครึมสุภาพแต่ไม่อ่อนน้อมตรงข้ามเต็มไปด้วยความทารนงไว้ตัวเห็นครั้งแรกกลียดจับใจแต่พอร่วมทุกข์กันไปก็แสงจะรักจับจิตสีหน้าแข็งกระด้างยิ้มยากลักษณะภายนอกโง่งั่งสิ้นดีแต่แฝงเอาความฉลาดคมกริบไว้ลึกซึ้งภายในกล้าหารเสียสละ ซื่อตรงและทำรงไว้ซึ่งสัตว์จะหาที่ไหนได้อีกแล้วสำหรับสุภาพบุรุษไพยเยี่ยงนี้เคยพูดสั่งความไว้เล่นเล่นเมื่อก่อนจะจากกันในครั้งนั้นว่านี่คุณปืนกระบอกอื่นจะละเลยเซอก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่จุดส0 0เวเทอร์แมกกระบอกนี้นะ่ะอย่าให้เป็นสนิมชนะถ้าหวนกลับมาตรวจดู พบว่ามันเป็นสนิมเมื่อไหร่มันจะเป็นลางร้ายแห่งความรักที่ฉันมีต่อนายพรานของฉันคิดถึงตอนนี้ดารินผุดลุกขึ้นนั่งทันทีมองไปยังตู้เสื้อผ้าของเขาที่ใช้เก็บปืนเมื่อตอนมานอนพักอยู่กับเขาไม่นานมานี้นะักหล่อนยังหยิบไรเฟิลของหล่อนกระบอกนั้นขึ้นมาตรวจดูต่อหน้าเขาก็ปรากฏว่ามันถูกเช็ดน้ำมันสะอาดเป็นเงางาม ไม่มีรอยสนิมเลยแม้แต่นิดเดียวก็แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะมันเกิดสนิมขึ้นหรือเปล่าหม่อมราชวงศ์สาวพนมมือขึ้นเสียงสัตว์อธิษฐานระพินถ้าคุณยังรักยังคิดถึงฉันเหมือนเช่นที่ฉันก็ยังรักคุณอยู่ในขณะ น, นี้ก็ขออย่าให้ปืนกระบอกนั้นของฉันเกิดสนิมขึ้น แม้แต่นิดเดียวภาวนาสิ้นกระแสความหลอนเปิดหล่อนเดินไปที่ประตูตู้เปิดประตูตู้กว้างนั้นออกด้วยมืออันสั่นเทาและมองระไปตามลำดับของรางปืนที่เคยเห็นปืนตั้งไว้ดับเบิลไรเฟิลจุดหกศูนย์ูนย์ไนโตรของชายันยังอยู่ถัดมา จุด460เม็กของด็อเตอร์ฮอฟมันอดีตสามีของมาเรียซึ่งเชิดฐาใช้ประจมือภายหลังจนกระทั่งการเดินทางสำเร็จผลก็ยังอยู่ 4.375 เม็กของมาเรียหายไปนั่นแสดงว่าเขาน่าจะเอาติดตัวไปในการเดินทางครั้งนี้ด้วยพร้อมกับจุด 4.58 วินเม็กแล้วหล่อนก็มองเห็น จุดสศูนย์ศูนย์เวเทอร์แมของหลอนเป็นกระบอกขวามือสุดค่อยๆคว้าปืนมาถือกระชับไว้ในมือเดินมาไขาใส่ตะเกียงเจ้าพายุให้สว่างขึ้นและตรวจดูทันทีไม่มีร่องรอยของสนิมขึ้นจับส่วนใดแม้แต่นิดเดียวทั้งกระบอกมันปลาบเขียวราวกบปีกแมลงทับแม้ว่ากระโจมมือและผ่านท้ายไม้ จะมีรอยบุกถลอกไปบ้างเพราะการที่หล่อนใช้บุก ป, ปา่ฝาฝ่าอันตรายโชคโชนในยุคนั้นใบหน้าอันเศร้าซึมของดารินปรากฏรอยยิ้มออกมาได้กอดปืนไว้แนบอกสูดลมหายใจลึกนี่ดูเหมือนจะเป็นรอยยิ้มอย่างเป็นสุขครั้งแรกสำหรับวันนี้ระพินคุณยังรักและซื่อสัตย์ต่อฉันอยู่ ถึงอยู่ก็รักถึงตายไปแล้วก็รักฉันเชื่อคุณแล้วเชื่ออย่างไม่มีอะไรเคลือบแคลงอีกและไม่เสียดายชีวิตในการไปตามครั้งนี้เลยต่อให้ตามไปเอากระดูกคุณกลับคืนมาก็ถึงเปิดลูกเลื่อนบริหารกลนไกมันคล่องตัวพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้เหมือนเดิม ก่อยปืนกระบอกนี้แหละที่หล่อนช่วยตัวเองและใครต่อใครในคณะมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วตูมขึ้นเมื่อไรไม่เคยปรากฏว่าพลาดเป้าหมายฉหมังที่สุดคุณคงคิดใช่ไหมราชสกุลสาวพูดคนเดียวต่อไปถือปืนเดินมานั่งที่เตียงตามเดิมว่ายังเก่ง ฉันก็คงจะตามมาดูอนุสร์แค่บ้านพักของคุณที่หนองน้ำแห้งนี่เท่านั้นคงไม่คิดว่าจะบ้าเสียนตามรักแล้วคงไม่คิดด้วยว่าบุคคลที่เคยเป็นหนี้ชีวิตของคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่พี่กลางฤชัยยันจะตามมาด้วยคุณห้ามฉันด้วยข้อความในจดหมายลาห้ามเมชันติดตามคุณ คุณห้ามฉันได้เรอะระพินแม้จะมองเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าความตายขวางอยู่เบื้องหน้าฉันอยู่โดยปราศจากคุณไม่ได้จำไว้กรรมอะไรนะมาบังฉันไว้ที่ปล่อยปลาคุณไว้ที่นี่นานนานจนมีอะไรมาพลากไปซช่ถ้าคนเราสามารถมองเห็นอนาคตข้างหน้าฉันจะไม่ผละทิ้งคุณไปเลย มันเป็นความผิดของฉันเองระพินที่ปล่อยคุณไว้ที่นี่ตามลำพังเพราะฉลาดใจว่าคุณคงจะไม่จากไปไหนอีกแล้วนับกันแต่เรารอดตายกลับมาจากเพื่อพระสิวะด้วยกันดารินเพอ้อพูดอยู่คนเดียวหัวเราะทั้งน้ำตาแล้วเอามือทั้งสองปิดหน้าซบลงกับที่นอนพระคุณเจ้า ทัญญมุนีช่วยลูกด้วยช่วยให้ลูกตามไปพบเขาแม้จะพบกระดูกก็ยังดีลูกเปรียบเสมือนพัญญาของเขาแล้วแม้จะไม่ใช่ทางพฤตินยัยหรือนิตินยัยก็โดยทางจิตสำนึกซึ่งมันลึกซึ้งยิ่งกว่าพฤตินยัยหรือนิตินยัยหลายร้อยเท่านะชายคนนี้ แม้จะไร้ความหมายสำหรับใครทั้งโลกแต่ก็เป็นชีวิตจิตใจของลูกถ้าเช่นนั้นก็จงตามเขาไปเถิดพ่อจดัดช่วยตามเขาไปพ่อจดัดช่วยแวววเสียงลึกลับผ่านเข้ามาทางโซดหรือทางกระแสจิตไม่ทราบได้แต่ชัดเจนที่สุด ดารินเงยหน้าขึ้นทันทีหลอนมองไม่เห็นอะไรภายในห้องนั้นขนของหลอนลุกชันขึ้นด้วยความปลาบลื้มปิติพนมมือขึ้นจรดอกหลับตาลงสวดมนต์งพรวอนฟ้าขอสนิทแนบเทอนิรันถอดหัวใจถ่ายสัมพันธ์ ฝากกันสันหรือไทยหวั่นใจขนึงติดรึงมั่นในหัวใจคร่ำครวญเธออยู่ไหนเธออยู่แห่งใดถึงไม่คืนมาลำนำเพลงตอนหนึ่งที่เคยแววเข้าสู่ดวงจิตเมื่อคืนนี้แววมาอีก อากเสียงที่แทรกมากระสายลงลืมตาสว่างโพลงขึ้นปรากฏว่าแสงตะเกียงเจ้าพายุที่เปิดไว้ดับมืดลงใชแล้วมีแต่แสงจันทร์รำไพสองลอดหน้าต่างเข้ามาแล้วเงาอะไรของอะไรสักอย่างหนึ่งนั่งพิงอยู่ที่หน้าต่างประสาทหลอนตาฝาดไปแน่ๆเพราะภาพนั้น ภาพนั้นเป็นภาพของเงาทรายยิ้มกับหล่อนพอขยี้ตาเพ่งอีกครั้งภาพนั้นก็เลือนหายไปขณะนั้นเองหล่อนก็ตื่นจากพวางังเมื่อได้ยินเสียงกูวกเวกเสียงผู้จาฟังไม่ได้สักดังมาจากบริเวณลานดินเบื้องล่างส่วนบนเรือนก็มีการไหวตัวกันผึกผัก จากพักพวกที่นั่งคุยกันอยู่ต่อมาก็ดูเหมือนจะเป็นเสียงนายอัมพลตะโกนร้องถามผู้จาอะไรกับพวกข้างล่างดารินชงนเงี่ยหูนอกจากเสียงของนายอัมพลที่ตะโกนพูดกับพวกหนองน้ำแห้งแล้วก็ได้ยินเสียงชา ย, ยันเชษฐาและอนุชาแทกไปหมดจับกระแสะสับไม่ได้เป็นเสียงแสดงความประหลาดใจและคนตื่นเต้นกันอย่างโกลาหล สวรรค์ทรงโปรดเป็นไปได้หรือนั่นนานอินมานานอินที่เราพูดถึงแกอยู่เมื่อบ่ายนี่เองคราวนี้เป็นเสียงตะโกนดังลั่นอย่างดีใจสุดขีดของนายอัมพลฮะจริงเหรอคุณอัมพลนั่นเป็นเสียงพี่ชายกลางของหลอนหรือหมอมราชวงศ์อนุชาวราฤทธิ์เรือนชานด้านนอกห้องหล่อนสะเทือนด้วยฝีเท้าที่พวกนั้นวิ่งกัดและประตูห้องของหลอน ก็ถูกเคาะโดยแรงพร้อมกับเสียงละล่ำละลักของชัยยันน้อยน้อยตื่นตื่นตื่นตื่นทน่าน้อยนานอินมาแล้วไม่รู้ไปยังไงไมายังไงสิดารินได้สติโผูพ ร, รวดไปที่หน้าต่างก่อนเห็นไฟฉายกระสวางวูบวากพร้อมกับคนหมู่ใหญ่ประมาณเจ็ดปดคนเดินตรงกันมาที่ลานดินหน้าบันไดาทางขึ้นก็คือพวกลูกบ้านหนองน้าแห้งนั่นเอง แวดล้อมนำใครคนหนึ่งซึ่งยังมองไม่เห็นถนัดเดินตรงเข้ามายังเรือนยกพื้นสูงดารินทะหลันไปเปิดประตูห้องทันทีผัวไปทั้งชุดนอนมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่ร่างของชายมีอายุในชุดชาวป่าคนหนึ่งเดินไต่บันไดเชือกขึ้นมาปรากฏกายอยู่บนชานบ้านพร้อมกับพวกลูกบ้านที่พากันเดินขึ้นมาส่งพูดกันจอกแจกฟังไม่ได้สัก รลอนจ้องตะลึงในขณะที่พี่ชายทั้งสองชายยันและนายอําพลพลูกันออกไปรุมทักทายคร่มกันไปหมดนานอินใช่แล้วไม่ผิดไปหรอกในชุดกางเกงสามส่วนครึ่งแข้งสีดำเสื้อกุยเฮงสีน้ำเงินผ้าเขาม้าผืนหนึ่งเขียนเอวอีกผืนหนึ่งพอกหัวไหลซ้ายสะพายยา่ามมือขวาถือไรเฟิลขนาดจุดสามเจ็ดห้า ที่นายอพลมอบไว้ให้เป็นปืนคู่มือก่อนจากกันครั้งสุดท้ายภายหลังจากกลับมาจากเทือกศิวะแล้วบุรุษสูงอายุร่างเล็กผู้นั้นจะเป็นใครไม่ได้เป็นอันขาดนอกจากนานอินพรานเผาลาวโ่งอดีตเพื่อนตายของนายชดประชากรหรือคุณชายอนุชาวราริกผู้เกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ยังมรกรกนครด้วยกันในครั้งนั้นนั่นเอง ถ้าหากระพินไทวันไม่นำคณะติดตามไปเอาตัวกลับคืนมาได้สาเร็จลักษณะของพรานผู้ยิ่งยงอันเป็นพรานพื้นเมืองซึ่งทั้งคณะพร่ำเรียกหาแกมาตลอดโดยไม่รู้จะติดตามตัวได้ที่ไหนอย่ามเมื่อตัดสินใจที่จะออกเดินทางติดตามกระพินจนกระทั่งทุกคนหมดหวังแล้วบัดนี้แกปรากฏตัวขึ้นราวกปาติหารไม่ทราบว่ามาจากไหน เมื่อไรเมื่อขึ้นมาถึงลานนอกชานบนบ้านพรานชั้นครูก็หยุดสุดตัวลงนั่งกับพื้นท่ามกลางการรุมล้อมถามทักกันแซดของทุกคนแกปลดย่ามวางไรเฟิลลงแล้วยกมือไหว้ทุกคนคนสุดท้ายที่แกหันมาเห็นแล้วยกมือไหว้ก็คือดารินวราริศที่วิ่งมาหยุดยืนเบิกตาโพลงอยู่กลางนอกชานแกเคยเป็นยังไง เมื่อเห็นกันครั้งสุดท้ายก่อนจากกันก็คงเป็นอย่างนั้นไม่แก่ลงหรือว่านุ่มขึ้นจำเรินจำเรินจเนจ้านายทุกคนนานอินมาแล้วแกเอ่ยขึ้นราบเรียบออกเสียงเนรเนรตามปกติวิสัยนี่ไปยังไงไมายังไงกันนี่ลุงพวกเรากำลังต้องการตัวลุงอย่างที่สุดรู้ไหมแต่ไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนชดประชากร ผู้สนิทสนุมกับแกที่สุดโดดลงขัดสมาดตรงหน้าร้องเอ็ดขึ้นขณะที่เอื้อมมือทั้งสองไปเขย่าไหลแกด้วยความรู้สึกดีใจจนบอกไม่ถูกนานอินเคียวหมากยับยั บ, ยบอยู่ในปากบอกด้วยเสียงอันดังอย่างไม่มีพิธีรีตองว่านูน่นตามแรดสองนออยู่แถบตะนินตะยีโพนูน่นเจ็ดแปดวันมาแล้วอีกคืนหนึ่ง ฝันเห็นไอ้แง่ทายชัดเจนเลยมันบอกให้รีบเดินทางมาที่นี่ให้เร็วที่สุดพวกเจ้านายโดยเฉพาะนายชดมีเรื่องที่จะใช้นานอินใหแรกก่อนนึกว่าฝันสงเดไปเองเอ๊พะพวกคืนที่สองมันก็บอกให้เห็นอีกกำลังจัดห้างนอนอยู่มาบอกความเหมือนเดิมเห็นถามันผิดกลนก็เลยต้องวกกลับมาที่หนองน้ำแห้งนี่ งใจจะมาพบนายรพินไม่นึกว่าจะพบพวกจ้งนายทั้งหลายมาอยู่กันที่นี่จะไปไหนกัน่ะเนี่ยอยู่กันพร้อมหน้าเลยแล้วนี่นายรพินล่ะไปไหนว่าแล้วแกก็มองไปยังทุกคนอย่างไม่รู้เรื่องอะไรนักก่อนที่คนใดจะเอ่ยกระไรออกมาดารินก็ถลันลงไปนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าของแกแล้วร้องถามว่าลุงอิน ไู้ดใชดชัดๆหน่อยสิที่ลุงบุกบันมาถึงที่นี่ในเวลาเกือบจะดึกดื่นแล้วนี่นะใครไปตามหรือไปบอกลุงนะด้วยสีหน้าตายด้านแต่เววตาสอบประกายินดีที่ได้พบเห็นคณะเจ้านายเก่าอยู่กันเกือบพร้อมหน้านานอินพูดว่ามันก็สาสาผิกลง่นะนายหญิงสาว่าจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างก็ฝันเห็นแง่ทาย บอกให้มาที่นี่สองคืนติดติดกันเลยทนอยู่ไม่ไหวก็เลยต้องรีบดันเดินมาวันนี้นะ่ะไม่ได้หยุดพักเลยนะเดินทั้งวันมาพบคํามเอาที่เชิงเขาตะโกงนวนเห็นว่าใกล้เต็มทีแล้วก็เลยไม่อยากพักนอนบุกเดินรวดเดียวถึงใจมันร้อนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงาทายนะ่ะเหรอมาบอกลุงเงาทายวิจกราชดารินซักเร็วปรือ ท่ามกลางทุกคนที่รุมล้อมรอบกายหนานอิงอยู่ทั้งหมดล้วนมีคําถามที่จะกลุ่มรุมมายัางพานไยัยอาวุโสผู้เพิ่งจะพลูมาถึงทั้งสิ้นแต่อันเนื่องมาจากดารินยังกระชั้นกระชิดไปพันในการยิงคําถามถามียิบอยู่ต่างจึงได้แต่จ้องและรอฟังอยู่ก่อนพรานเท่าเอามือเกาต้นคอกรัก ก, รกักอีกมือหนึ่งเช็ดเริมฝีปากที่ทําขยุบขยิบอยู่นายอภพลรู้เชิง รีบบอกให้พวกลูกบ้านหนองน้ำแห้งรินเหล้าลูกปามาให้จอกหนึ่งโดยเร็วนานอินขายชานหมากยกจอกเหล้าขึ้นจิบแล้วเทเอื้อเดียวหมดทำเสียงอักอยู่ในลำคอตามนิสัยเคยชินแล้วจึงว่ารูปร่างของมันที่มาให้นานอินเห็นมันเป็นแงสายนะานายหญิงไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินมรกตนครที่ชื่อจักรรารก เพราะมันแต่งชุดกระเรียงสะพายปืนอย่างที่เคยเห็นไอเจะว่าฝันก็ไม่เชิงมันหลับหลั บ, ลบตื่นตินกลางดึกเห็นมันโผล่มาจับสุ้มไม้แล้วก็บอกความสั้นๆว่าให้มาที่หนองน้ำแห้งโดยเร็วเถอะที่นี่มีเรื่องนั้นอินก็ไม่ได้ถามแล้วว่ามันเรื่องอะไรเพราะตอนนั้นรู้สึกมืนถูกผีอัมเพราะมันบอกแล้วมันก็เดินหายไป มารู้ตัวอีกทีก็สว่างแล้ที่แรกก็คิดว่าคิดไปเองเพราะตกคืนสองมันก็โผล่มาให้เห็นเหมือนเดิมแล้วก็ผูดอย่างเดิมอีกนายนี่ก็อยู่ไม่ไหวแล้วมันสังหอนไปหมดร้อนรุ่มกลุ่มใจเป็นกําลังก็เลยบายหน้ามาที่นี่เลยเดินตัดตาตาัดเขามาเจดวันแล้วไม่ได้แวะที่ไหนเลยจะหยุดพักก็แค่นอนท่านั้นแหละนายหญิง ทุกคนเงียบกริบไปชั่วขณะมองตากันอยู่ไปมาด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะบอกถูกดารินแม้มริมฝีปากแน่นจ้องหน้าพี่ชายทั้งสองและชัยยันนิ่งใบหน้าอันซีดเซียวของหลอนบัดนี้เป็นริ้วไปด้วยสายเลือดแห่งความตื่นเต้นไปตีเหลือที่จะกล่าวในขณะเดียวกันขนก็ลุกเกลียวหลุดปากออกมาด้วยเสียงคลายกระซิงทาย ใช่แล้วแน่นอนที่สุดเขาจะต้องไปบอกข่าวร้ายนี่ให้กันนานอินเหมือนเหมือนกับที่ไปบอกฉันนั่นแหละถึงได้ทำให้นานอินตรงแน่วมาที่นี่ราวกันนัดกระราวายทั้งทั้งที่เราหมดหวังแล้วไม่รู้จะไปตามตัวได้ที่ไหนนานอินมาได้ทันเวลาพอดีโดยเราไม่คาดฝันราวกับปาฏิหารแล้วมันก็เป็นปาฏิหารจริงๆชยันเอามือลูกแขน แล้วหันไปทางเชษฐาเฮ้ยขนลุกเลยเชิฐถามันเป็นสิ่งอัศจรรย์มากหรื อ, อยังไงกลางอนุชาเองก็นั่งกระพริบเปลือกตาทีทีงงงันไปหมดเอ๊พี่ลุกแฮน้อยก็พรำ่ำพูดถึงแง่ซายมาตั้งแต่คืนวานนี่แล้วว่ามาบอกข่าวอะไรซึ่งเราก็เห็นเป็นเรื่องเหลวไหลแต่แล้วก็ปรากฏว่าเหตุการณ์มันเป็นจริงอย่างที่น้อยบอกทุกอย่าง นี่นันอินมาบอกเราอีกคนนึ่งแล้วว่าที่แกตรงมาที่นี่ก็เพราะแง่สายเข้าฝันบอกอะไรก็ช่างครับตอนนี้แง่สายฤาจีกรราชเป็นอะไรไปแล้วหรือเปล่าเขากลายเป็นดวงวิญญาณไปแล้วละมั้งถึงได้ไปเข้าฝันบอกความได้อย่างแม่นยําและตรงกับความจริงได้ถึงเพียงนี้จะว่าเรื่องบังเอิญก็เห็นชัดๆว่าสองรายซ้อนเลยนะอดีตนักเดินดงหัวเห็ดคลางออกมา แล้วเมื่อกี้นี้เองยกยกก่อนที่หนานอินจะมาถึงไฟจาพายุในห้องนี้ก็ดับดารินพูดเสียงเคลือสั่นชี้ไปที่ห้องฉันสาบานนะว่าฉันเห็นแง่ทายมันนั่งอยู่ที่ขอบหน้าต่างห้องร้องเพลงอะไรชนิดหนึ่งแววมากระซบทกระทบโสดประสาทฉันถนัดทนีที่สุดฉันนิจจำถ้อยคำได้ทีเดียวแต่พอฉันจ้องและจะเดินเข้าไปหา เขาก็หายวับไปกระตาชักวุ่นวายไปกันใหญ่แล้วเช่ดาวราริธิ์พี่ใหญ่ของทุกคนพูดขึ้นด้วยเสียงต่ำๆอ่ะสงบสติอารมณ์ซะบ้างเถอะไม่ว่าจะน้อยกลางหรือชัยยันฉันรู้ว่าความรู้สึกของทุกคนในขณะนี้จะสับสนไปหมดนะไหนจะหูรบพิน่าจะเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหน นั่ไหนจะเกิดคลางแคลงใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับแง่ทรายหรือจักรราชแห่งมรกรนคร น, นั่นแต่ฉันเชื่อนะเชื่อว่าเขาทั้งสองยังมีชีวิตยอยู่ด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละรพินกำลังนำคณะของอเมริกันชุดนั้นเดินป่าอาจจะกำลังยากแค้นกันดานและทุกยากแสนสาหัสแต่คนคนนั้นน่ะตายยาก ส่วนแง่า ย, ายก็คงเป็นสมเด็จพระเจ้าจักราธิราชอยู่ยังมรกฏนครนั่นแหละแต่ที่น้อยฝันเห็นก็ดีหรือนานอินฝันเห็นก็ดีมันเป็นซิกเซนส์หรือประสาทรับรู้ส่วนที่หกของทั้งน้อยและหนานอินเองซึ่งบังเอิญมาตรงกันข้าวอย่าไปคิดในด้านอัปมงคลว่าระพินหรือแงซา ย, ายคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนได้ตายจากโลกนี้ไปแล้ว จบเชตาก็เดินเข้ามาโอบไลเบาคู่ชีวิตของน้องชายไว้กระชับแน่นพร้อมกับยิ้มให้ลุงอินพวกเราทุกคนดีใจเหลือเกินนะที่เห็นลุงโผมาในคืนนี้เรากําลังต้องการตัวลุงอยู่ทีเดียวแต่ไม่รู้จะไปตามได้ที่ไหนแล้วก็ไม่คาดฝันว่าจู่ๆลุงจะโผลมาในยามที่เราต้องการตัวอย่างที่สุดเช่นในขณะนีอะ้อย่าเพิ่งพูดอะไรก่อนเลย เดินทางบุกบันมาไกลคงหิวมากกินข้าวกินปลาซะ ก, ก่อนแล้วกันประเดี๋ยวเรามีเรื่องจะต้องคุยกันมากทีเดียวพวกเราเห็นหน้าลุงพลูมาก็ปลื้มใจดีใจจนบอกไม่ถูกละนั้นอิงยกมือขึ้นโบสีหน้าของแกมีแววกังขาอยู่เช่นนั้นนายใหญ่และทุกคนไม่ต้องห่วงนา้นอินหรอกนา้นอินกินอาหารมาแล้วเมื่อไกลคำพอกินเสร็จ ก็ อ, ออกเดินต่อมาจนถึงนี่แหละพบเจ้านายทุกคนก็ดีใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะไม่คิดว่าจะได้พบกันอีกแล้วแล้วแกก็มองผ่านใบหน้าของแต่ละคนที่แวดล้อมอยู่ถามเ้าห้าต่อมาว่านี่พวกเจ้านายก็อยู่กันเกือบจะครบหน้าทีเดียวขาดไปสองคนเท่านั้นคือนายแม่มาเรียแล้วก็แผนใหญ่ระพินไม่มีใครบอกนานอินเลย ว่าพลนใหญ่ไปอยู่ซะที่ไหนนั้นอินอุตสาบุกมาไกลแสนไกลเชนาะ